พระบัญญัติ165ร16 5, ก็ภิกษุใดกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายเพราะเห็นแก่อามิตรต้องอบัติปาจิตตีเรื่องพระชพคีจบ